บทภาชีนีติกาปาจิตตี467อุปสัมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันิจงใจก่อความรําคาญต้องอบัติปาจิตตีอุปสมบันิภิกษุไม่แน่ใจจงใจก่อความรําคาญต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันิจงใจก่อความราคาญต้องอบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุจงใจก่อความราคาญให้แก่อนุปสัมบันิต้องอบัติทุกกฎ อนุปสัสมบันภิสูุสําคัญว่าเป็นอุปสัสมบันต้องอบัตทุกกฎอนุปัสัมบันภิสูจไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎอนุปัสัมบันภิสูจน์สคัญว่าเป็นอนุปัสัมบันต้องอบัตทุกกฎ